ข้อชอความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิสรุปตามประเภทของสมาธิภาวนาถ้าสรุปตามพระบาลีในสมาธิสูตอังคุตตรนิกายจะตุกันิบาทการฝึกอบรมเจริญสมาธิมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้ภิกษุทั้งหลายการเจริญสมาธิหรือสมาธิภาวนา มีสี่อย่างดังนี้คือหนึ่งสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้ญาณทัศนะ 3. สมาธิภาวนา ที่จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะสสมาธิภาวนาที่จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแบบที่หนึ่งคือสมาธิภาวนาที่จเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารบาลีขยายความว่าได้แก่ฌานสี่ข้อ นี่ก็คือการเจริญฌานในลักษณะที่พูดอย่างชาวบ้านว่าเป็นวิธีหาความสุขแบบหนึ่งตามหลักที่แบ่งความสุขเป็นสิบขั้นซึ่งประณีตขึ้นไปตามลำดับคือการมาสุขสุขในรูปฌานสี่ขั้นสุขในอรูปฌานสี่ขั้นและสุขในนิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนิยมเจริญฌานในโอกาสว่าง เพื่อเป็นการพักผ่อนอย่างสุขสบายที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารแบบที่สองคือสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้ยานทัศนะบาลีขยายความว่าได้แก่การมณสิการอาโลกสัญญากําหนดหมายในแสงสว่างอธิษฐานที่วาสัญญากําหนดหมายว่าเป็นกลางวัน เหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจเปิดโล่งไม่ถูกนิวรณ์ห่อหุ้มฝึกให้เป็นจิตที่มีความสว่างอัตถกถาอธิบายว่าการได้ยาณทัศนะในที่นี้หมายถึงการได้ทิพยจักสุและท่านกล่าวว่าทิพยจักสุนั้นเป็นยอดของโลกิยอาอภิญญาทั้งห้าอีกสี่คืออิทธิวิธิทิพยโสตเจโตปริยญาณและ ปุบเพนิวาสานุสติญาณบางแห่งท่านกล่าวถึงญาณทัศนะนี้คำเดียวหมายคลุมถึงโลกิยอาอภิญญาหมดทั้งหดังนั้นประโยชน์ข้อนี้จึงหมายถึงการนำเอาสมาธิไปใช้เพื่อผลสำเร็จทางจิตคือความสามารถพิเศษจำพวกอภิญญารวมทั้งอิทธิปาฏิหารแบบที่สคือสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะคือการตามดูรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปในความเป็นอยู่ประจาวันของตนดังที่บาลีไขความไว้ว่าเวทนาสัญญาและวิตกทั้งหลายจะเกิดขึ้นจะตั้งอยู่จะดับไปก็เป็นไปโดยรู้ชัดแบบที่4คือสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายบาลีขยายความว่าได้แก่การเป็นอยู่โดยมีปัญญามองดูรู้ทันอยู่เสมอถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันทั้งห้าว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นของรูปเป็นดังนี้ความดับไปของรูปเป็นดังนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นดังนี้เกิดขึ้นดังนี้ ดับไปดังนี้มองอย่าง ก, งกว้างๆก็คือการใช้สมาธิเพื่อประโยชน์ทางปัญญาเป็นอุปกรณ์ในการเจริญวิปัสสนาอย่างที่เรียกว่าเป็นบาดฐานของวิปัสสนาเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดคืออาสวัคคายาณหรือวิชาวิมุตตามคําอธิบายของอัตถกาถาจะเห็นว่าประโยชน์อย่างที่1และสองเป็นด้านสมถะ ส่วนประโยชน์อย่างที่3และสเป็นด้านวิปัสนาประโยชน์อย่างอื่นๆที่ได้กล่าวข้างต้นแม้จะไม่มีระบุไว้ในพระบาลีนี้ก็พึงเห็นว่าเป็นประโยชน์ปล่อยได้สืบเนื่องออกไปซึ่งพึงได้รับในระหว่างการปฏิบัติเพื่อประโยชน์4อย่างนี้บ้างเป็นข้อปลีกย่อยกระจายออกไปไม่ต้องระบุไว้ให้เด่นชัดต่างหากบ้างในคัมภี์ชั้นอัตถกถาท่านก็ได้สรุปอานิสงส์ คือผลได้ต่างๆของสมาธิภาวนาหรือการฝึกเจริญสมาธิไว้เหมือนกันดังที่แสดงไว้ในวิสุทธิมักมี5ประการคือ 1. เป็นวิธีการพักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบันคือเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารข้อนี้เป็นอนิสงค์ของสมาธิขั้นอัปปนาคือระดับชานสำหรับพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นผู้ทากิจเพื่อความหลุดพ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ต้องใช้ฌานเพื่อบรรลุภูมิทําใดๆต่อไปอีกอ้างพุทธพจน์ในสันเลขสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัญธาดว่าฌานเหล่านี้เรียกว่าเป็นเทตธรรมสุขวิหารในอริยวินัยคือเป็นเทตธรรมสุขวิหารในระบอบของอริยชนหรือแบบแผนของพระอริยะ 2. เป็นบาตหรือเป็นประทัดฐานแห่งวิปัสสนาข้อนี้ เป็นอานิสง์ของสมาธิขั้นอัปปนาก็ได้หรือขั้นอุปจาระก็พอได้แต่ไม่โปร่งนักประโยชน์ข้อนี้ใช้สำหรับพระเสขะและปุตชนอ้างปุตพจนในสมาธิสูตรสั่งยุตานิกายขันธวารวักว่าภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง3เป็นบาป หรือเป็นประทัดฐานแห่งอภิญญาข้อนี้เป็นอานิสงของสมาธิขั้นอปปนาสำหรับผู้ได้สมาบัติ8ปดแล้วเมื่อต้องการอภิญญาก็อาจทำให้เกิดขึ้นได้อ้างพุทธพจน์ในสมุ ข, ขสูตรอังคุตรณิกายติกนิบาทว่าจิตนุ่มนวลควรแก่งานจะน้อมจิตไปเพื่อประจักแจ้งด้วยอภิญญาซึ่งทำที่พึงประจักแจ้งด้วยอภิญญาอย่างใด ก็ถึงความเป็นพยานในธรรมนั้นๆนได้ในเมื่อเหตุมีอยู่ 4. ทํทำให้ได้พบวิเศษข้อนี้หมายถึงการเกิดในภพที่ดีที่สูงเป็นอนิสงค์ของสมาธิขั้นอัปปนาสำหรับปุถุชนผู้ได้ฌานแล้วและฌานไม่ได้เสื่อมไปเสียทำให้ได้เกิดในพรหมโลกอ้างพุทธพจน์ในธรรมมหาทยะวิพังวิพังังปกรพระอภิธรรมปิฎกว่า จะเริ่มปฐมฌานขั้นปริตตกุศลแล้วเกิดที่ไหนตอบว่าย่อมเข้าร่วมพวกเทพพรหมปาริสัทชาอย่างไรก็ดีแม้สมาธิขั้นอุปจาระก็สามารถให้พบวิเศษคือกามาวาจรสวรรค์หกได้ทําทำให้เข้านิโรธสมาบัติได้ข้อนี้เป็นอานิสงค์ของสมาธิขั้นอัปปนาสำหรับพระอรหันต์หรือพระอนาคามี ผู้ได้สมาบัตแปดแล้วทำให้เสวยความสุขอยู่ได้โดยไม่มีจิตตลอดเวลาเจ็ดวันอ้างยานในนิโรธสมาบัตในปฏิสัมพิธามะ